มิลินทปัญหาของกรมศิลปากร อ, อปรพาฆาคาถาเรื่องเกิดอัศจรรย์เมื่อจบปุตรชาววิสัชนารัญโยจะเทระสะจะบุจชาววสาณีเมื่อจบปุตรชาและวิสัชนาแห่งพระเจ้ามิลินปินนราธิบดีและพระนาคเสนเทระ ลงในครั้งนั้นก็บังเกิดมหัสจั์บันดานมีคือปัตภีอันใหญ่หนาได้สองแสนสี่หมืนโยต์มีน้ำรองเป็นที่สุดประกรรมปิดถก็กรรมปนาหวาดวันไววิชุลตาอันว่าสายฟ้านิ ช, ชริงสุก็แลบทั่วทุกทิศที่ภพบปุปผังวัดสิงสุฝูงเทวดาก็โ ป, ปรยปลายทิพยาบุปผามาลาสวร์ลงมากระทาส ก, การบูชา มหาพรห ม, มาอันว่าเท้ามหาพรหมก็ชื่นชมสาธุการโมทนามหาโคโศอโหสิได้มีความกึกก้องโกลาหุนสะเทือนสถานดลุดมหาเมฆอันขนองเป็นมรลอกกระชอกฉานอยู่ในมหาสมุทรนั้นเรื่องพระยามิลินทรงเลื่มใสทรงสร้างวิหารถวายพระนาคเษนและมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส อิติโสมิลินโธราชาครั้งนั้นอันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงกษัตริย์จอมมิลินภูมินทราธิบดีพร้อมด้วยโยทีเสนาข้าหลวงและอัครนารีสาวสนมทั้งปวงต่างก็พากันนบน้อมอัญเชลีนมั ส, สการสิ้นด้วยกันส่วนสมเด็จพระภูมิบาลจอมมิลินทราชมีพระหฤทัยเลื่อมใสปภาษาอินดีปรีดาร่าเริงนักหนา ทรงเห็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาสิ้นสงสัยสอดแคลวกินแหนงในพระรัตนตรยัยทรงเลื่อมใสในคุณบรรพชาและปฏิปทาอิริยาบถของพระเถระโดยจตุคณะบริบูรณ์นิหะตะมานะทัปโผสิ้นมานะและกระด้างอวดีอุทธ ะ, ะทาโถวิยะูุชะินโทดุจพระยาหน้ากริตร้าย พันเขาถอนเขี้ยวเสียแล้วก็ไม่มีพิษฉะนั้นจึงประนมกรนมั ส, สการมีพระดํารัสตรัสกับพระนาคเกษต่อไปว่าพันเตนาเกษนะข้าแต่พระนาคเกษผู้ปรีชาปัญหานี้เป็นพุทธวิสัยพระผู้เป็นเจ้ามาแก้ไขได้เป็นอันดีพระธรรมกระถึกในพระพุทธศาสนานี้ยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเสียแล้ว จะมีผู้ใดอื่นอาจแก้ปัญหาพุทธวิสัยเปรียบด้วยพระผู้เป็นเจ้านั้นหามิได้มีประเสริฐโสดแต่พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นขะมาท ะ, ะพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษโยมขอขมาและพระผู้เป็นเจ้าจงส่งไว้ว่าโยมเป็นอุบาสกถึงซึ่งปานุเปตะสารณคมแต่วันนี้เป็นต้นไป ยมจะขอเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่พึ่งจนตราบเท่าชีวิตดังนี้ครั้นแล้วก็มีพระราชโอการให้สร้างวิหารชื่อว่ามิลินทะวิหารถวายพระหน้าเคเสนกับพระขีนาศพทั้งหลายอันมาอยู่ด้วยร้อยโกรธตั้งแต่นั้นก็โปรดปรานปฏิบัติถวายจจตุปัจจัยให้สำราญอยู่ในมิลินทะวิหารนั้นครั้นนานมา ทรงยินดีเลื่อมใสในปัญญาพระมหาเถรระนาคเกษรผู้เลิศอรหันต์ก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระรา ช, ชบุตรแต่พระนามของพระรา ช, ชบุตรนั้นจะเป็นอย่างไรมิได้ปรากฏในวาระพระบาลีเรื่องพระยามิลินเสด็จออกทรงบรรพชาแล้วสำเร็จพระอรหัสตส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีเห็นโทษลามกมิดีในโลกิยะกามคุณ อันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามิตั้งอยู่จีรังการนานช้าจะพาให้อาลัยหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารแสนทเวทยิ่งทรงพระรำพึงจะหาที่พึ่งหนีพบทั้งสามคือกามาพบหนึ่งรูปประพบหนึ่งอรูปประพบหนึ่ ง, งสิริเป็นพบสามพิเคราะห์ดูกามาพบทั้งสิบเอ็ดชั้นคืออบายภูมิสี่มนุสโลกหนึ่ง เทวโลกหกชั้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกาไปจนถึงปรณิ ม, มิตะวะสวัสดีและพิจารณาดูชั้นพรมสิบหกชั้นซึ่งมีรู ป, ปกายพิเคราะห์ดูชั้นอรู ป, ปพรมอันหารูปมิได้ทั้งสี่นั้นก็ดีก็ไม่เห็นว่าจะเป็นที่พึ่งได้เหตุพบทั้งสามนีไ้ไสยังจะให้เวียนเกิดเวียนตายกลับกลายได้ไม่เป็นที่แน่นอน เหมือนกรุงแก้วอันกล่าวแล้วคือพระอามาตะมหานครนรึกพานอันกเกษมสำราญสุขสบายมิได้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเท้าเธอมีพระหาทัยผูกพันในที่จะได้สำเร็จพระนรึกพานตัดกันดาลเสียให้ขาดเด็ดแต่ในปัจจุบันขณะนั้นก็ทรงสละเสียซึ่งมานะเสด็จออกจากพระราชเคหะ ทรงบรรพชาเพศเป็นอนาคาริยะบรรพชิตบำเพนญสมณกิจเจริญพระวิปัสสนาไปก็ได้สำเร็จแก่พระวิมติสเสวตชัดกระทำให้แจ้งชัดซึ่งพระนรุภานเป็นพระอรหันต์ขีนาศพอันประเรสริฐสิ้นกิเลสเตนอุตตังเหตุดังนั้นพระคันธารั จ, จนาจารจึงนิพล์ผูกคาถาสันเสริญคุณแห่งปัญญาไว้ในที่สุดนี้ว่า ปัญญาปัสถาโลกัติมิงคตาสัทธรมะีติยาปัญญายะวิมติงหันตวานะสันติงปปโบบนติปันติตาตัสมิงขันเททีตาปัญญาสติยถาอนุนากาปูชาวิเศษสัส ท, ทีโรอโคโสวะอนุตตโรตัสมาหิปันฑิโตโปโสสุขังสัมปัสสะมัตตโน ปัญญวันตาพิปูชัยะเจติยังวิยะปูชิตังมีความว่าปัญญานี้เป็นที่โลกสรรเสริญเพราะเป็นที่บรรลุถึงความตั้งมั่นแห่งพระสัธรรมนักปราช จ, จะสิ้นสงสัยสำเร็จแก่ธรรมาภิสมัยก็เพราะปัญญาอันหนึ่งสติตั้งบริบูรณ์ไม่บกพร่องในขันใดปัญญาก็ตั้งอยู่ได้ในขันนั้นผู้ประกอบด้วยปัญญา เป็นผู้ควรรับบูชาอันวิเศษและเป็นผู้เลิศประเสริฐหาผู้ใดจะเสมอเหมือนไม่ได้เหตุดังนั้นและบุรุษผู้ปรีชาเมื่อพิจารณาเห็นความสุขแก่ตนแล้วพึงสักการะเคารพท่านผู้มีปัญญาดุจหนึ่งว่าบูชาพระเจดีย์อันเป็นที่สักการะฉะนั้นดังนี้มิลินทศเจวะนาคเสนเถรศจะ ปัญหาปุชฉะเวยาการับปกรนังสมัตังคัมภีรแสดงคำวยากรณ์แห่งการถามปัญหาของพระเจ้ามิลินและพระนาคเสนจบเพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้มิลินทะปัญหาจบบริบูรณ์